ยี่สิบสองพระชันตาเทรีภิกษุณีผู้หลงรูปโฉมชาสุดท้ายนางเกิดในราชตระกูลิชวุวีกรุงเวสาลีเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ิชวุวีพระนางมีรูปโฉมงดงามเป็นผู้ยึดติดในรูปร่างกายเช่นเดียวกับพระนางอภิรูปนันธาเทรีต่อมานางได้ฟังธรรมที่พระาศาสดาทรงสแสดง แล้วบรรลุพระอรหัสต์ในเวลาจบเทสนาท่านพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุได้กล่าวสองคาถาเหล่านี้ด้วยอำนาจปีติยินดีว่าโพชชงเจ็ดประการเป็นทางแห่งการบรรลุพระนิพพานโพชชงเจ็ดเหล่านั้นทั้งหมดเราจะเลินแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราได้เห็นแล้ว ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีในภพสุดท้ายชาติสงสารขาดสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีฉบับมหาจุฬาเรียกว่าพระเชนตาเถรีพระคาถานั้นมีอธิบายว่าชื่อว่าโพชฌงเพราะเป็นองค์แห่งธรรมสมังคีเพื่อตรัสรู้หรือเป็นธรรมของบุคคลผู้ตรัสรู้สิ่งที่ควรตรัสรู้ โพชฌงเจ็ดคือสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสิสมาธิและอุเบกขาเป็นธรรมที่พึงเจริญเพราะเป็นทางให้ถึงพระนิพพานเมื่อเจริญโพชฌงอยู่โพธิปักคียธรรม37ประการก็ชื่อว่าได้รับการกระทำให้เกิดขึ้นและทำให้เป็นไปด้วย พระเถรีได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งพระรูปกายและพระธรรมกายคือผู้มีธรรมเป็นกายเพราะท่านได้บรรลุอรยิยธรรมเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุเหมือนดังที่ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเรา พุทธศาสนาสุภาษิตอายาจิตโตตัโตคัจจิอนะนุญญาโตอิโตคัตโตกุโตปินุนะอคันโตวาวาสิตวากติปาหกังอิโตปิอันเยนาขตโตตัโตอันเยนะคัจจติเปโตมนุสสรูเปนะ สังสารโตคมิสติยถาคัตโตตถาคตโตกาตถาปริเทวนาสัตว์ผู้ไกลไกไม่ได้เชื้อเชิญก็มาจากปรโลกนั้นใกลๆยังไม่ได้อนุญาตก็มาจากโลกนี้เข้ามาจากที่ไหนกันแน่เนาะอยู่ได้สองสามวันแล้วก็จากพบนี้สู่พบอื่นก็มีจากพบนั้นไปสู่พบอื่นก็มี เขาละไปแล้วจะท่องเที่ยวไปโดยรูปร่างของมนุษย์เข้ามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจะร้องไห้ไปทำไม